พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะควจริงใหญ่จะทําเสียงใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือต้อนรับปีใหม่เข้ามาเรียบร้อย2558ของรายการสรมม น, น, นาสนทนาทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเสียงก็ยังเหมือนเดิมรายการก็ยังเหมือนเดิมแต่พยายามจะสรรหาเนื้อหาสาระที่มีมาแต่เดิมแล้วก็จะมีมาตลอดไปนะก็คือคําสอนของพระศาสดา ตราบใดที่พวกเรานั้นยังช่วยกันดำรงรักษาคำสอนนะคะเรียมักมีองค์แปดมีอยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่ขาดซึ่งอริยบุคคลนะคะเดี๋ยวเราไปกราบน้อมสักการท่านอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนให้ท่านได้ตอบคำถามให้พวกเรามีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่ข้องกับโอกาสขึ้นปีใหม่เนี่ยล ะ, ค, ะบบค่ะนมสักการกันท่านคะเจบค่ะก็ ปีใหม่เข้ามาอีกทีนึงนี่สำหรับพระคุณเจ้าอย่างเงี้ยนะคะอย่างท้ า, าจารย์เนี่ยมีการวางแผนในอนาคตของชีวิตไหมคะเป็นพระสงค์หรือว่าปีนี้จะทำอะไรอย่างไรเอาเชิญวัดธรรมามีอยู่ค่ะคือตัวรรมาเองตอนนี้ก็เรียนภาษาบาลีอยู่ค่ะเนเพราะฉะนั้นเป้าหมายสำหรับปีสองห้าห้าแปดเนี่ยแล้วก็ต่อไปนี่ก็คือต้องการจะศึกษาภาษาบาลีที่เป็นภาษาที่พ่อเราใช้ คือพระพุทธาใช้เนี่ยให้มันแตกฉานมากยิ่งขึ้นแ ล, แล้วเราก็พยายามที่จะอ่านพระสูตรทั้งภาษาไทยภาษาบาลีนะให้มาขึ้นค่ะนะก็อันนี้เป็นแผนชีวิตของท่านอาจารย์ยิ่งเข้าใจว่าหลายคนก็คงจะมีแผนแต่ว่ารายละเอียดของแผนเนี่ยอาจต่างกันไปและก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะคะไม่ได้วางแผนแล้วแล้วก็ไปตามปีตามเดือนนั่นแหละอืม ในเมื่อรายการของเรามีภูมิปัญญาระดับพุท ธ, ธะดิฉันก็อยากจะกรับเรียนถามท่านน ะ, นะคะว่าถ้าให้ถ่ายทอดภูมิปัญญาพุท ธ, ธะที่เราจะได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของวันเดือนปีเวลานาทีต่างๆจะเป็นอย่างไรคะนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของวันเวลาเนี่ยนะมันคือหมุนไปเรื่อยพระบุตรชาเคยบอกพูดถึงเรื่องของวเวลาเนี่ยมันเกิดมาจากตรงที่เรามีพบ ในอย่างกรณีของเรื่องที่ว่าพอดีเรามีผัสสะจึงมีเวทนาใช่ไหมมีเวทนาจึงมีตัณหามีตัณหาจึงมีอุปทานมีอุปทานแล้วจึงมีภพในตรงที่มีความยึดถือแล้วไปจึงมีภพเนี่ยเรื่องของเวลานั่นก็คือไทม์แล้วก็สเปซนั่คือพื้นที่อะไรพวกนี้มันจะเกิดในตรงที่เป็นภพตรงนี้เวลากับเวลากับไทม์และสเปซจะเกิดมาตรงส่วนที่เป็นภพส่วนที่เป็นเรื่องของผัสสะ เรื่องของมีเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยตรงนี้จะเป็นแบบเกิดปุ๊บๆเลยปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเนื่องด้วยเวลาอีกประอันที่2ก็คือเวลาเป็นสิ่งที่กลืนกินสิ่งอื่นแล้วก็กลืนกินตัวมันเองด้วยอันนี้คือตัวเวลากลืนกินสรรพสิ่งทุกอย่างแล้วก็กลืนกินตัวมันเองด้วยแล้วก็เรื่องเวลาถ้าเรามาดูที่คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ยังถูกต้องตรงจริงเสมอประเด็ <Okay. S 1> นการปฏิบัติในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องเวลาและก็คือเพื่อที่จะให้เราออกมาจากตรงนั้นให้ได้แต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องอยู่ในเวลานะ mm hmm. ก็จึงมีส่วนที่3ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าบัด น, นี้เวลาล่วงไปล่วงไปเนี่ยเราทำอะไรอ ย, ยูนะ่เนี่ยคือเตือนสติให้เวลามันหมุนไปเรื่อยๆนะล้วพอพูดถึงเวลาที่สิ้นไปสิ้นไ ป, นไปอันนี้คือความหมายของคําว่าแก่เลย นะความคำว่าแก่เนี่ยหนึ่งในหลายๆความหมายก็คือความสิ้นรอบไป่นะความสิ้นรอบไปสิ้นรอบไปหมุนไปรอบหนึ่งนะดวงโลกเคลื่อนผ่านบนดวงอาทิตย์ไปรอบหนึ่งนั่นะก็คือสิ้นไปหนึ่งรอบเพราะฉะนั้ น, นคือความชรา ท, ที่ที่เกิดขึ้นเพนะราะฉะนั้นเราแก่ลงแก่ลงทุกๆปีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมาพิจารณาว่าเออเราทําอะไรอยู่อันะนี้ข้อที่1ข้อที่2ก็คือความแก่มาถึงเราแล้ว ลงไปรอบหนึ่งแล้วแบบนี้เราควรจะต้องทำสิ่งที่ถ้าเราเจอความแก่งอมชนิดที่สัมผัสได้แล้วเนี่ยเราควรจะทำยังไงให้ใจเราพ้าสุขไดอ้อันนี้คือสามสี่ประเด็นที่พูดถึงเรื่องของเวลาค่ ะ, ะรู้สึกเป็นประเด็นใหญ่ๆทางนั้นเลยนะคะยังคิดว่าเดี๋ยวรอมาลงรายละเอียดในแต่ละประเด็นดีนะคะเพื่อที่จะให้ท่านฟังทั้งหลายได้รับง่มุนที่ลึกซึ้งที่ตนเองอาจจะตีความไปไม่ถึง หรือว่าเข้าใจไปไม่ได้อย่างประการแรกที่ท่านจะบอกว่ากําเนิดของเวลาเกิดขึ้นเพราะการมีพบใช่ไหมคะใช่พบนีพพอสําเทาภาวนใช่พบค่ะท่านจากกรุณาอธิบายให้ชัดเจนมากกว่านี้อีกสักหน่อ ย, อยอได้ไหมคะเช่นเช่นว่าพบเนี่ยคือความที่เป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งหงการที่เรามีสภาวะใดสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นม า, าถ้าถ้าเราจะพูดถึงก็อย่างเช่น โลกนี้ก็เป็นพบพบหนึ่ง <Okay. S 1> โลกเทวดาก็เป็นพบพบหนึ่งทำไมพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงว่าทำไมเทวดาถึงมีพบในลักษณะของเขาเวลามันยืดยาวกว่าหนึ่งวันของเทวดาเนี่ยเป็นหลายๆร้อยหรือหลายๆพันปีหรือหลายๆล้านปีของมนุษย์่ <Okay. S 1> ความความที่มันไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเพราะว่าความที่เขาไปยึดถือเปลิอเปล่าในสิ่งนั้นมันต่างกั น, นความเขาไปยึดถือเปลิอยเปล่าในสิ่งนั้นเนี่ยยิ่งมีมากเท่าไหร่ แต่ความที่เป็นพบมันก็จะยิ่งยืดยาวออกไปถ้าเราพูดถึงสวรรค์นเนี่ยคุณก็ไปยืดถือนะมีอุปทานใช่ไหมยืดถือมันแหมมันรื่นรมหน้าวิริสมาลาในของความเป็นเทวดาเป็นสวรรค์นนะเพราะฉะนั้นทำให้ภพของเขาได้ยาวนานมากอันนี้คือเรื่องของความสุขในด้านความสุข<ะ>ถ้าถ้าเป็นด้านความทุกข์กษัตริย์นรกสัตยนรกนี่โอ้โหก็รับความทุกข์ชนิดที่มากมายมหาศาลความยึดถือตรงนั้นมากมันก็เลยยาวนา น, นา ก, กว่าโลกมนุษย์ สาธุาค่ก็เดจานต้องกล่าวเรียนว่าท่านอาจารย์อธิบายได้ดีมากเลยนะคะตอนแรกที่หนึ่งหรือว่าจะอธิบายยังไงนะท่านท่านไปบุญจะพูดอย่างไรให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าในความเข้าใจทั่วไปอพอมาถึงตรงที่ท่านพูดว่าภพเนี่ยก็มีหลายภพใช่ไหมคะที่ว่ามีภพของเทวดาภพของสัตว์นรกเป็นต้นใช่ามาชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่ว่าไอ้ความรู้สึกจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะไอ้ความรู้สึกต่างๆ ในสภาวะนั้นเนี่ยเออย่างเช่นท่านบอกว่าเทวดา<ช>มีความสุขความสุขของเขามีมากใช่ไหมคะแต่มันมันมากแต่มันในความรู้สึก ข, ของเทวดาในผ่านไปเร็ว<ช>แต่ว่า<ช>สําหรับมนุษย์แล้วมันนานในเวลาเท่าเทกันถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องคือคือคือหมายว่านานในความเป็นเทวดาก็คือคือถ้าเปรียบเทียบรักของมนุษย์ในแป๊บเดียวค่ะแต่ว่าจะถ้ามนุษย์ไปอยู่นั้นมันจะรู้สึกนานนะค่ะ คือเหมือนกับว่าถ้าถ้าอยู่ในโลกเทวดาคือมันระยะเวลาไม่มากสากําหรับความสุขใช่ใช่ใช่แต่เป็นมนุษย์เนี่ยนนถ้าอยู่ในโลกมนุษย์นี่ตายไปแล้วกี่รอบถึงจะได้ความสุขเท่ากับขณะนั้นของเทวดาถูกต้องถูกต้องะ ค, ะค่ะเนี่ยค่ะพออธิบายอย่างนี้เราดีฉันคิดว่าเข้าใจได้มากจริงๆนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราก็พอจะเข้าใจได้แล้วก็บางคนอยากเป็นเทวดานะคะก็คิดว่าเทวดาเนี่ยดีกว่าการเป็นมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะดีกว่ามาว่าดีกว่าก่อนก่อนที่จะ เลยไปเรื่องว่าอะไรดีกว่าไม่ดีกว่าแค่ว่าตอนเราเป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้ <Okay. S 1> นนเราจะ ร, รู้สึกว่า perception ของเวลาเนี่ย perception of time ที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่จะไม่เท่ากันถ้าเราทำงานอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยแหมรู้สึกยาวนานเหลือเกินเช่นรถติดเป็นต้น <Okay. S 1> คุณดูไฟ <Okay. S 1> เขาเรียกไฟอะไรไฟจราจรอย่างเงี้ยคุณติดไฟ <Okay. S 1> แดงอยู่2 0 1ส1บโอ้ยยินาทีนี่มันนานเหลือเกนนินถ้า <Okay. S 1> ใจเรารีบมันจะยิ่งนานมาก แต่ถ้าเราทําอะไรที่เราเพลิดเพลินสบายใจเช่นฟังดนตรีหรือว่าดูละครหรือว่ากินเหล้าอย่างไนี้ไปต้นนะมันแป๊บเดียวทั้งคืนเนี่ยมันแป๊บเดียวไม่รู้สึกง ง, งไม่รู้สึกอะไรมันเพลิดเพลินไปเอ๊ะทำไมตัง้งๆที่ถ้าเราดูตามหน้าปัดนาฬิกาหน้าปัดนาฬิกามันก็พอๆกันเท่าๆกันแต่ความรู้สึกของเวลาที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของเราเองเนี่ยมันไม่เท่ากันนี่คือ perception of time ที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามความยึดถือที่เกิดขึ้น การรับรู้เรื่องเวลาใช่นะครับไม่เหมือนกันงั้นก็เท่ากับว่าเทวดากับในทางตรงกันข้ามแต่ให้เข้าใจใง่ายๆแบบเก่าก็คือพวกสัตว์นรกต่างๆเนี่ยก็มีเวลาที่ถ้าเป็นเวลาของมนุษย์เองแล้วมันยาวนานมาก<ช>แต่ของท่านเหล่านั้นไม่ได้นานมากนะคะแล้วก็ถึงประเด็นที่คุณยมติวพูดไปสักครู่ว่าเอ๊ะเป็นเทวดาดีหรือมนุษย์ดีค่ะก็จะมาก็ว่ายิ่งเป็นเทวดานี้ยิ่งดีกว่าตรงที่ว่า ความสุขแรงต่างมากกว่าละ่ะแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้เหมือนที่มนุษย์เขาทำแต่ฉันเคยได้ยินว่าเทวดาอยากเป็นมนุษย์เนี่ยเรื่องเป็นยังไงคะงทะ่านคะที่เทวดาอยากจะเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือในกรณีที่ว่าถ้าหมดบุญจากความเป็นเทวดาแล้วนจะไปเป็นอะไรก็ต้องไปเป็นมนุษย์ต้องไปเป็นมนุษย์คือเขาก็อยากจะไปเป็นมนุษย์ล่ะเพราะว่าเทวดาที่ตกปุ๊บไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นพอถ้าจะหมดบุญจากเทวดานี้สิ่งที่เขาปรารถนาก็คือ ความที่จะได้เป็นมนุษย์แตนะ่ทีนี้ถ้าเรากําลังจะเปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะทำไมเทวดาบางรูปบางตนถึงอยากเป็นมนุษย์เพราะว่าได้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยได้ทําบุญทํากุศลในลักษณะที่เทวดาไม่ได้ทำแตนะ่เช่นเรื่องของการมีสมณะนะซึ่งสมณะในเทวดาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบเป็นแบบพระที่มาเดินบินตบารอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เขาเขาจะไม่มีลักษณะนั้นทําให้เห็นกรณีว่าเอ้ย เทวดาองค์นั้นเขามาเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่าเขาได้ทําบุญที่ว่าใส่บาตรพระอะไรต่างๆทํำให้องค์อื่นก็เออฉัน้นก็อยากจะไปใส่บาตรพระบ้างนอยากจะเป็นมนุษย์บ้างแต่แต่ถ้า น, นี่คือความเห็นของเทวดาตนนั้นนะะค่ะทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่คุ้มตรงที่ว่าความทุกข์มือนก็มากเทวดาความทุกข์มีไหมก็มีแต่ว่าน้อยความสุขมากกว่าค่ะประเด็นถัดมานะคะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเวลากลืนกินสรรพสิ่งและกลืนกินตัวของมันเอง กลืนกินของสรรพสิ่งเข้าใจง่ายไหท่านคะกลืนกินของตัวมันเองคือก็คือเวลาตัวมันก็หมดไปด้วยออตัวมันก็หมดไปด้วยนะคะอแล้วเราก็สังเกตกันดูนะคะท่านฟังว่าเวลาผ่านไปผ่านไ ป, นไปเนี่ยกลืนกินสรรพสิ่งจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับพวกเรากันเองคือญาติมิตรเพื่อนฝูงผู้คนบนโลกใบนี้ผ่านไปเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายอืมเห็นชัดว่าประการที่สามคะท่านคะที่บอกว่าคําสอน ของพระพุทธเจ้านั้นไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ขึ้นกับการเวลาใช่เป็นอกาลิโกโมไม่เคยล้าสมัยใช่ไม่เชื่อก็เอาเรื่องเวลานี่ก็ได้ไปตรองดูนะคะอืต่อไปค่ะที่บอกว่าเราจึงต้องปฏิบัติตนเพื่อให้หลุดพ้นออกจากเวลาเนี่ยเวลามันมีทุกมีโทษอย่างไรหรือคะแล้วก็มันจะหลุดเข้าไปได้ยังไงหรือว่าต้องทําไปทําไมในเมื่อสุดท้ายแล้วเวลาก็กลืนกินสรรพสิ่งรวมทั้งเราด้วยนั่นเองถ้านบอกว่าที่ไหนที่มีเวลา ที่ไหนที่มีเวลาอย่อยางกรณีนี้เราพูดถึงโลกมนุษย okay. ์เป็นต้นหรือที่ไหนก็ตามแต่ถ้าที่ไหนที่มีเวลาเนี่ยความที่ที่มันจะต้องไม่มีเวลาเนี่ยมันก็จะต้องมีนัก็คือพระเจ้าเคยพูดว่าที่ไหนที่มีความทุกข์ที่ที่ไม่มีความทุกข์ก็ต้องมีมันก็ต้องคู่กันที่ไหนที่มีของแตกดับที่ที่ของไม่แตกไม่ดับก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเรากําลังจะเพื่อที่จะพ้นจากไอ้ความทุกข์แตเวลานี่เป็นความทุกข์แน่นอนเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ได้ เราทำไงให้ออกจากมันได้นี่เป็นทางที่ควรจะต้องไปค่ะทีนี้ไอ้ทางที่ควรจะต้องไปเนี่ยทำให้บางคนก็ตั้งเป้านะตั้งเป้าว่าฉันจะต้องแตะโสดาบันหรืฉันจะต้องเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นชาตินี้อะไรเงี้ยะแต่บางคนก็ไม่ได้ตั้งเป้าเลยทําไปทําไปซึ่งตรงตั้งเป้าหรือไม่ตั้งเป้านี่ก็เป็นประเด็นตรงจุดที่ว่าคุณจะตั้งเป้าหรือไม่ตั้งเป้าก็ได้แต่ถ้าคุณปฏิบัติตามมรรคแปดมันเป็นทางอยู่แล้วคไปได้ตรงนี้จะทําให้ถึงความพ้นทุกข์เรื่องของออกจาก เวลานี้ได้ค่ะส่วนในพุทธพจน์ ท, ที่ว่าเวลาสิ้นไปสิ้นไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ก็คล้ายๆ ก, กันมั้งคะคือเหมือนกับเตือนไม่ให้ประมาทต่ออันนี้คือความชราที่เราเห็นได้ทันทีนะี่ค่ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งรอบนะ่ยคื อ, อชีวิตเราเนี่ยสัน้นสั้นเข้าไปหนึ่งรอบหายใจแนะ่มันสิ้นไปแล้วหนึ่งรอบหายใจนะ่โลกคโคจร ร, รอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบ โลกนี้ใกล้ความแตกของโลกก็ไปนหนึ่งรอบแต่มันก็ใกล้ความแตกเข้าไปชีวิตเราก็สั้นลงหนึ่งลมหายใจนะปีหนึ่งผ่านไปชีวิตเราก็สั้นลงปีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราแก่ลงแก่รอบแก่รอบเนี่คือความชราค่ะแต่ความชราเป็นทุกข์แน่นอนชราลงทุกปีบัด น, นี้เราทําอะไรอยู่แต่<ม>สุดท้ายเนี่ยดิฉันสนใจที่สุดที่ท่านได้กล่าวว่าพระพุทโธงตรัสถึงเมื่อความแก่มาถึงแล้วเนี่ยทําอย่างไรถึงไม่ให้อ่า ใจของเราเสียใช่ไหมคะยังมี ค, ความผ า, <พ>าสุกอยู่ได้ยังมีผาความผาสุกอยู่ได้เมื่อความชรามาถึงเราแล้วอเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ทําอย่างไรเนอที่เมื่อความชราที่มาถึงเราแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้มาทําอย่างไรกัคะเขาก็นี่แหละอที่เรามาฟังทำพยายามตั้งสติขึ้นใส่บาทรทำบุญรู้ลมหายใจนั่งสมาธิภาวนา คิดจะด่าเขาว่าเขาก็อดทนไว้อย่างเงี้ยอันนี้คือทางที่จะให้เราไปถึงที่ดั บ, ดบทุกได้และชราในที่นี้พระพุธรงบัญญัติหมคะว่าต้องชรามาถึงอายุเท่าไหร่ค่อยมาเป็นผู้ที่สนใจวิธีการจะให้ผาาศขอยู่ได้ความหมายของคำว่าความแก่ประพุชาให้ไว้อยู่45อย่างนะอย่างแรกก็คือความที่สิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุนะความรอบไปหมดไปตีละรอบระรอบ ถัดมาก็คือความที่อินซีเนี่ยมันเสื่อมไปแล้วก็ถัดมาก็เป็นความผมหลุดผมงอกฟันหลุดพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูๆก็คือว่าเอาสิสมมติคนที่เด็กอายุ7จ็ดครัวเป็น8ปดครัว น, นนี่สาวคุณแก่แก่ขึ้นนะคนที่แก่จนกระทั่งแกง่งอมหรผมงอกตัวโกงไปข้างหน้าเดินนี่ก็ต้องสือไม่เท้าอันนี้ก็เป็นความแก่ที่เห็นได้อันนี่คือว่าแกง่งอมแก่ที่ปรากฏรูปกับแก่ที่ไม่ปรากฏรูปค่ะ อ่าอย่างเนี้ยชัดเลยนะคะแบ่งเป็นสองประเภทปรากฏรูปกับไม่ปรากฏรูปอืมประเด็นมันคือตรงนี้ว่าสมมุติว่าเราอายุยี่สิบห้าไปยี่สิบหกมันก็ยังไม่เจ็บมันยังไม่ได้ปวดมันยังไม่ได้ปรากฏรูปของความแก่เหี่ยวตรงนั้นอลไรก็ยังไม่มีนะแต่ตรงนี้ ค, คือความแก่แล้วนะความแก่แล้วปรากฏว่าเรารุ่มหลงเพลิดเพลินนะวคุณอยู่ไม่ผาสุกนะค่ะคุณอยู่ไม่ผาสุกอ่าแต่ถ้าแต่ถ้าเราจะอยู่ผาสุกคุณอายุยี่สิบเป็นยี่สบเอ็ด อยู่ผาสุกได้แต่ว่าคุณรู้แล้ ว, ว่าความแก่มาเยือนไอ้ความผาสุขที่เกิดจากการรู้จริงตรงนี้อันนี้คื อ, ค, ค, อความผาสุขที่หมายถึงค่ะนั้นมันก็สวนกันมากนะคะกับในขณะที่ฟังรายการเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ฟังไปปรงไปเลยนะเนี่ย <c oughs> ขึ้นปีใหม่แล้วนะเขาฉลองกันไม่ใช่หรออ่าอ่าฉลองปีใหม่ยังไงดีค่ะท่านคะในในส่วนวของธรรมาเองนะแม่เดี๋ยวนี้มันก็มีเทรนใหม่คุณโยมเต๋ เขาก็ต้องมาที่วัดแล้วก็พยายามที่จะทําอะไรที่มันข้ามคืนที่วัดนะแต่เมื่อก่อนๆสักห้าปีก่อนเนี่ยไม่มีนะคุณหยงตือสมมติเราจมาบวชมาใหม่ๆเนี่ยสอสาปีแรกเนี่ยวัดนี่สงบไม่มีใครคิดจะมาวัดหรือมาก็ทางคนต่างอยู่ก็นั่งสมาธิกันไปไม่ต้องมาทําอะไรข้ามคืนกันใช่ไหมแต่ดีนี้ก็ต้องมาสวดมนต์ข้ามคืนบ้างอะไรต่างๆบ้างเนี่ยก็เป็นเทรนด์ใหม่ขึ้นมาเราก็ต้องมานั่งดูตากันแล้วรับก็ อาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนก็มีเป้าหมายในชีวิตว่า อ, อย่างน้อยไม่ได้ทําทั้งปีก็ขอทําให้ตอนต้นปีเอาไว้ใช้หลังจากวันที่สวดมนต์เสร็จแล้วคนก็อาจจะคิดอย่างนี้แล้วก็พอดีปัจจุบันเดี๋ยวนี้ยจะมีการเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมกันเยอะไงคะ ก, ก็ทําได้ง่ายสะดวกเข้าใช่ใช่ก็คือมันก็ยังดีกว่าไปเที่ยวกินดื่มนะอกว่าใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการบางคนอาจจะทําแล้ว มาตลอดเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปทำเป็นหมู่เป็นคณะไม่มีการประชาสัมพันธ์ก็เลยไม่มีข่าวดิฉันจำได้มีอยู่ปีนี้นะคะดิฉันเองเนี่ยก็ทำรายการวิทยุธรรมะนี่แหละแล้วก็นาตกรรมที่เกิดขึ้นที่สันติก้าผับที่ว่ามีไฟไหม้แล้วก็มีคนเสียชีวิตจำนวนมากเพราะว่าไปเฉลิมฉลองอก็เป็นที่เศร้าใจยัะต้นปี ทีนี้ถ้าอาจารย์คะจะว่ากันไปนะคะเรากําลังพูดถึงมุมของอาการเฉลิมฉลองซึ่งคนส่วนใหญ่เขาทากันอย่างนั้นจริงๆนะคะคือมืนกับว่ายินดีดีใจต้อนรับปีใหม่ต้องเฉลฉลองต้องอวยพรต้องให้ของที่น่ารื่นรมน่าชื่นใจต่อกันเนี่ยทีนี้ถ้าเฉฉลองให้ถูกต้องอ ส่วนบนข้ามปีเท่านั้นถือว่าฉลองแล้วหรื อ, อยังหรือเราควรจะฉลองอย่างไรให้เจ๋งในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธค่ ะ, ะการฉลองที่ว่าเป็นมงคลแต่ที่ว่าเป็นสิริมงคลในการที่เป็นมงคลกับชีวิตของเราในตลอดทั้งปีนี้ซึ่งมงคลมันมีหลายอย่างถ้าเราต้องการเป็นสิริมงคลเช่นการดูแลมานาบิดาเป็นมงคลเอาเลีเ้ยงดูท่าน แนะล่างเท้าท่านหรือว่าทําอะไรซึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นพิเศษกับมารดาบิดาอันนี้เป็นมงคลแน่หรือว่าการไซบาททําบุญอันนี้ใช่ในมีการเฉลิมฉลองทีนี้การเฉลิมฉลองที่ในทางคําสอนของพุทธเจ้าก็จะเป็นแนวนี้นเป็นไปเพื่อความสงบระ ง, งับความรู้ยิ่งรู้พร้อมที่ผ่านนะจะมีคุณธรรมที่แฝงอยู่เช่นเรื่องความกระตันยูความเห็นอกเห็นใจความเมตตานะแต่ถ้าเรากำลังจะเปรียบเทียบระหว่างการเฉลิมฉลองชเชนะ่นเย้าเๆ้ากินดืม่มพวกนี้เป็นความสุขทางตาทา ง, ทางหู นะซึ่งการฉลองในทางพุท ธ, ธเนี่ยของผู้รู้ผู้ที่เห็นจริงเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงการฉลองที่เป็นไปนในทางตาทางหูนะแต่จะมาฉลองในเรื่องที่จะไ ป, ไปเพื่อคุณธรรมต่างๆมีความเมตตามีความกระตันยูเป็นตน้นค่ะนคือถ้าเป็นแนวพระพุทธศาสนาคำสอนของพระาศาสดาแล้วก็แนวเดียวเลยมังครั้เนี่ยรู้สึกพอจะพูดอะไรก็ กั<ม>แถวนี้เวลาของปีกัแนแถวนี้ทีนี้ประเด็นมันคือตรงนี้ทํำให้มางคนคิดว่าเอ้ยมันมันไม่มีแสงสีนะ่ะมันไม่แบบตื่นเต้นเร้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้มันมีความตื่นเต้นเล้าใจแสงสีนะ<อ>ซึ่งถ้าเราบอกว่าสีสันของชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ตาหูเนี่ยแตงว่าคุณอย่างรู้น้อยไปแต่เพราะว่าสีสันของชีวิตที่เกิดจากความสุขที่เกิดอยู่ในภายในเนี่ยมันเป็นสีสันเป็นความสุขที่มากกว่า นาเช่นเราทําความกตัญญูให้เกิดขึ้นเรามีเมตตาให้กันเรามีความปรารถนาดีให้กันมีจิตเป็นสมาธิตรงเนี้ยมีความสุขที่มากกว่านาเป็นสีสันที่ดีกว่าหนากว่าไอ้สีที่มันแบบสีโสโครกแปดเปื้อนพวกนั้นค่ะก็เท่ากับว่าท่านแวทางของพระพุทธองค์แล้วทําในสิ่งที่เป็นมงคลนั่นแหละเป็นการเฉลิมฉลองถูกต้องถูงมงคลอย่างไรก็ได้ถูกต้องนะคะและถ้าฟังรายการนี้อยู่เรื่อย ทุกวันที่เราสอนนะ่ยมีวิธีของการที่จะสร้างมงคลให้กับชีวิตอยู่ตลอดเวลาส่วนถ้าต้องการที่จะเหมือนกับเป็นแหมมันเป็นคราวพิเศษทําให้รู้สึกพิเศษมากกว่าอันนี้ใช้ใช้อทธิบาศีได้ไหมคะท่านการทิฏฐาเรตตั้งใจได้ท่านรบกวนอธิบายนะคะว่าอิธิบาศี 4, อย่างเนี้ยเป็นอย่างไรก็คือการที่เราตั้งใจสันทัตคือความพอใจในการทําสิ่งนั้นแต่ควรจะตั้งเป้าในชีวิตอะไรในปีนี้ทําซะ นะตั้งฉันท้าไปในนั้นนะสองคือจิตตะก็คือความที่เราใส่ใจไว้แต่ในะส่ใจเอาใจจดใจดจ่อคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆเอาใจไปใส่เรื่องนี้เอาไว้ให้เห็นธรรมะในสิ่งนี้ <Okay. S 1> นี่คือเรื่องจิตตะเราก็วิทยะนะี่คือความเพียรความเพียรที่ที่หมายถึงความกล้ากล้าในการที่จะลงมือทํากล้าในการที่จะเริ่มทำํำจะผิดจะถูกนะลองทําดูก่อนนะเริ่มทําก่อนอันนี้คือความกล้าวิทยะ <Okay. S 1> และอย่างสุดท้ายคือวิมังสาก็คือการพัฒนาปรับปรุง ในะการศึกษาพัฒนาให้มันดีขึ้นในแง่มุมที่เราทําในเรื่องของวิทยาะะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคุณยมติว๋วที่ <คะ S 1> บางคนก็อาจจะทำนั่นะก็คือว่าทุดงขวัตนะนี้เป็นมงคลได้เหมือนกันเฉลิมฉลิมเป็นะทุดงขวัตคือข้อปฏิบัติที่บุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อขูดกล่ากิเลสอย่างยิ่งนะในช่วงปีใหม่คุณบอกอาจจะบอกว่าฉันจะอยู่เฉลิมเฉลิมข้ามปีคุณก็ปฏิบัติตุดงขวัตเลยเรื่องข้อเนสชิกนะก็คือว่านั่งอยู่ เนื้อทืริบทสามยืนเดินนั่งไม่นอนอย่างเงี้ย อ, อ, อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้เต็มที่นคนบอกไม่ได้นอนเลยนะแต่เมื่อคืนกงทั้งคืนเลยค่ะอันนี้ต้องมีศีลด้วยมีศีลด้วยื <c oughs> อข <c oughs> ูดเกลียิเลสวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ต้องทําในรูปแบบของเนสัตทิกอย่างนั้นมีเฉพาะไหมครับว่าต้องไม่ไม่นั่งเลยยืนอย่างเดียวเลยฮะอยู่ในอริยบทสามยืนเดินนั่งเว้นอริยบทนอนเพราะฉะนั้นเว้นอริยบทนอนเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะนั่งได้แต่ว่าหลับ นั่งหลับก็อาจจะได้แต่บางคนก็ขั้นอุกฤษ ก, ก็คือว่าอหลับก็ไม่หลับแต่ในที่นี้ก็คืออิริยาบถสามนั่นเองนะนะคะดิฉันเนี่ยเนื่องจากเหตุการณ์อ๋อเวลาหมดนะคะท่านคะสงสัยเอาไว้ต้องยกยอดไปน้อมสการถามท่านในวันพรุ่งนี้ตอบไปนะสําหรับวันนี้สุดท้ายท่านให้วิธีมาละแต่ถ้าจะขอพรจากท่านเป็นพรปีใหม่ สำหรับพวกเราทุกคนคะ่ะอาณาบอกขอให้ทุกท่านเนี่ยตั้งไว้ซึ่งสติณเวลาที่เรามีสติแล้วเราจะเดินทางไปไหนอันนี้จะมีความปลอดภัยในจิตใจของเราแล้วเราก็พอเรามีสติแล้วในการงานอะไรต่างๆในปีนี้เราให้มีสติอย่างที่เรามีอยู่ในวันแรกของปีเทําให้ได้ตลอดนี้จะเป็นมงคลในชีวิตอย่างแน่นอนเจริค่ะนะคะสาธุค่ะโอ้โหสั้นๆแต่ว่ากินความกว้างเหลือเกินแล้วก็อยู่ที่ท่านทั้งหลายเลยนะคะว่าจะ มีกําลังในการที่จะตั้งสติได้ตลอดทั้งปีหรือเปล่าก็ขอให้ทุกท่านมีสติอย่างที่ท่านเป็นบุญได้อวยพรไปแล้วกันอย่างมั่นคงตลอดไปทั้งปีเพื่อสิ่งที่ดีปรากฏค่ะกราบ น, นวส ก, การท่านพิมบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะเจริญพรท่านฟังที่เคารพค่ะท่านก็ได้รับ ท, ทั้งธรรมทั้งพรสรุปแล้วเป็นพรทั้ทงรายการเลยะคะ่ะก็เหลืออยู่อย่างเดียว นำออกไปปฏิบัติกันเท่านั้นเองนะคะรายการนี้จะทําหน้าที่สม่ําเสมอค่ะของเรามีบรรยากาศเหมือนกับมีวันปีใหม่ทุกวันแหละเพราะว่าเราค้นคว้านําสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ล้วนแล้วแต่เป็นมงคลแก่ชีวิตของเราทั้งนั้นหากเรานําไปปฏิบัติตามแล้วก็เป็นการปิดกัน้นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลไม่ให้เข้ามาในชีวิตเราด้วยนะคะเกิดกุศลปัดตัดอกุศลไปพบกันใหม่ในวันที่สองของปี วันพรุ่งนี้นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีวันแรกแห่งปีวันที่1มกราคม2 5ง8ค่ะผู้ทว่สวัสดีค่ะ